พระธรรมคุณหกบทพระธรรมคุณประการที่หนึ่งสว่าขาโตพระวตาธมโมโดยธรรมดาผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและมีการปฏิบัติในทางสมาธิวิปัสสนาได้ผลอย่างแท้จริงกล่าวคือสามารถทำใจให้สงบผ่องใสและเบิกบานอยู่ได้เสมอนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความเลื่อมใสเช่นนี้จะพึงมีได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆ ค, คุณอย่างแจ่มแจ้งคนที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยโดยอาศัยสิ่งภายนอกเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาคนที่เลื่อมใสแบบนี้ถึงแม้ส่วนมากจะมีความมั่นคงในศาสนาก็จริงแต่นั่นก็หมายความแต่เพียงว่า ตราบใดที่เขายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขาต้องอยู่ในศาสนาที่ตนและคนส่วนมากนับถือเขาก็จะเป็นผู้มั่นคงอยู่ในศาสนาตลอดไปได้แต่ถ้าหากเมื่อใดมีเหตุการณ์ทำให้เขาต้องเปลี่ยนศาสนาหรือทำให้ต้องห่างจากศาสนาหรือได้รับการศึกษาที่ขัดแย้งกับทางหลักศาสนาซึ่งหลักที่ขัดแย้งนี้เขาเชื่อถือมากกว่าเมื่อนั้นคนประเภทนี้ ก็จะค่อยๆคลายความนับถือจากศาสนาที่ตนเคยนับถือและผลอีกอันหนึ่งคือความสงบความผ่องใสในด้านจิตใจที่เกิดจากศาสนาโดยตรงนั้นคนที่นับถือศาสนาโดยอาศัยประเพณีหรือพิธีกรรมจะไม่ได้รับเลยหรือถึงหากจะได้รับบ้างเป็นบางครั้งก็เป็นไปอย่างผิวเผินและสำหรับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอนศาสนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสถ้าหากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่ประกอบไปด้วยความเข้าใจในคุณค่าของพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้งแล้วเขาจะทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ได้ผลดีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส่วนมากที่ทำไปก็เพราะเห็นแก่ลาบสการะหรือเพราะความจาเป็นในหน้าที่บังคับให้จำต้องทำมากกว่าการสอนศาสนาเท่าที่เป็นอยู่ ซึ่งส่วนมากไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะผู้ที่ทำการสอนเข้าไม่ถึงคุณของพระรัตนตรยัยและคนส่วนมากที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเวลาสวดมนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณของพระรัตนตรัยใจไม่เป็นสมาธิหรือเวลาที่นึกขึ้นมาหรือบางครั้งก็มาจะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความประทับใจไม่ทาให้จิตใจที่กาลังคุณมัวหรือฟุ้งซ่านเกิดความสงบ เกิดความผ่องใสขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากการเข้าไม่ถึงคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองอันหนึง่งตามหลักในคำภีวิสุธทธิมักตัท่านกล่าวไว้ว่าคนที่จะเข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยจริงๆนั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคือต้องเข้าใจอริยาศสตร์อย่างแจม่มแจ้ง ซึ่งความเข้าใจที่ว่านี้ต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเพราะจากผลของการปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทำให้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยและการปฏิบัติที่ว่านี้ย่อมหมายถึงการปฏิบัติในด้านสมาธิและวิปัสสนาหากยังปฏิบัติแต่เพียงในด้านศีลธรรมอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไป เพียงแค่นี้ก็ยากที่จะเข้าถึงคุณของพระรัตนตรยัยข้าพเจ้าจึงได้พยายามอธิบายคุณของพระรัตนตรัยในแง่ของการปฏิบัติและข้าพเจ้าก็ได้อธิบายเรื่องพุทธคุณจบมาแล้วต่อจากนี้ไปจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องธรรมคุณสวากขาโตพระธรรมมีคุณหประการ คุณข้อแรกก็คือสวากขาโตซึ่งแปลว่าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ชื่อว่าสวากขาโตคือตรัสไว้ดีแล้วนั้นาำในคัมภีร์วิสุทธิมัท่านได้อธิบายความหมายไว้หลายนัยยะแต่เฉพาะนัยยะที่เข้าใจง่ายและควรแกการจดจำก็คือท่านบอกว่าพระธรรมได้ชื่อว่าสวากขาโต เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดเป็นธรรมะที่แสดงถึงแนวทางแห่งการครองชีพหรือการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงร้อมทางอัจริะและพยัญชนะเป็นธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่ออภิญญา เพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานหมายเหตุผู้อ่านคาว่าอัฏฐและพยัญชนะอัฏฐก็คือใจความสาระสำคัญหรือตัวที่เป็นสภาวะหรือประสบการณ์โดยตรงส่วนพยัญชนะคือส่วนที่เป็นรูปแบบหรือตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างที่ใช้สําหรับเป็นการสื่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ไปมาหาสู่กัน ซึ่งอาจแปลง่ายๆว่าอัตตะคือสาระและพยัญชนะคือภาษาใจความสั้นๆที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้ขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นเพราะเป็นหัวข้อที่เราจะต้องมันนึกไว้เสมอซึ่งถ้าหากเรามีความเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้ยังลึกซึ้งแล้วจะทำให้เกิดศรัทธาอย่างมากในการศึกษาและการปฏิบัติ และจะทำให้เรามีความมั่นคงในศาสนาอีกด้วยความงามของพระธรรมคนที่จะรู้สึกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความงามหรือมีความไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นโดยธรรมดาแล้วจะต้องมีความรู้ภาษาบาลีแตกฉานและเคยอ่านคำพีมามากพร้อมทั้งเข้าถึงความหมายที่แท้จริงด้วย แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็ต้องเป็นนักปฏิบัติและเคยได้รับผลจากการปฏิบัติมาแล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงเป็นคนมีใจสงบและเยือกเย็ยนอยู่เสมอคนประเภทนี้เท่านั้นจึงจะเห็นความงามของพระธรรมได้ดังนั้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระธรรมเวลาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจะรู้สึกว่ามีความสนุกเพลิดเพลิน มีความเบิกบานพร้อมกับได้รับความสงบความเยือกเย็ยนใจด้วยซึ่งคุณค่าอันนี้สำหรับคนที่เคยผ่านมาแล้วจะรู้สึกว่าในยามที่ต้องการพักผ่อนทางจิตใจหรือในยามที่มีความไม่สบายใจการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกสามารถที่จะทำให้สมองได้รับการพักผ่อนคลายความตึงเครียดแก้ความไม่สบายใจต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่จาเป็นต้องหันไปหาการพักผ่อนด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่วิธีนี้น้อยคนมากที่จะนำเอาไปใช้ได้เพราะถึงแม้จะรู้ภาษาบาลีแต่ถ้าเข้าไม่ถึงความหมายที่แท้จริงของธรรมะแล้วก็อ่านธรรมะไม่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับคนทั่วไปส่วนผู้ที่อ่านหนังสือธรรมะที่แปลมาจากคำภีหรือฟังธรรมจากพระเทศหรือจากใครก็ตามถ้าหากหนังสือที่แปลออกมาผู้แปลสักแต ว, ว่าแปลออกมาตามตัว หรือผู้เทศก็สักต้ตยว่าเทศไปตามตัวหนังสือโดยที่ผู้แปลหรือผู้เทศเองก็เข้าไม่ถึงความหมายที่แท้จริงของธรรมะผู้อ่านหรือผู้ฟังก็ยากที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของธรรมะยากที่จะเห็นความงามหรือความไพเราะของพระธรรมได้คนส่วนมากที่เบื่อธรรมะก็เพราะเหตุนี้ฉะนั้นจึงเป็นการยากจริงๆที่จะทาให้นักศึกษาทั่วไปเห็นความงามของพระธรรม ซึ่งในคำภีได้กล่าวไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทหรือทุกตอนมีความงามอยู่พร้อมทั้งสิน้นซึ่งความงามที่ว่านี้สามารถที่จะดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างชนิดที่ไม่มีวันเบือ่อแต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ข้าพเจ้าได้สังเกตจากตัวเองและจากคนอื่นๆคนที่จะเห็นความงามของพระธรรมได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้อย่างเดียว แตขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์ในขณะนั้นๆด้วยกล่าวคือในขณะใดที่พื้นจิตใจกําลังเสียหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นในขณะนี้ถึงแม้จะได้ฟังธรรมหรืออ่านธรรมะบทที่ตัวเองเคยชอบเคยเริ่อมใสมาแล้วแต่พอถึงตอนที่พื้นจิตใจเสียนั้นก็จะไม่ผิดอะไรกับชายบางคนซึ่งในขณะที่กําลังมีความทุกข์ครอบงำจิตใจอย่างมากหรือกําลังมีความวิตกกังวลถึงเรื่องอื่นอย่างรีบด่วน ในขณะนี้แม้ว่าจะได้พบหญิงงามสักเพียงไรก็ตามแต่เพราะเหตุที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีจิตใจที่จะดูความงามฉะนั้นในตอนนี้เราก็จะพบว่าเขาไม่สนใจเขาอาจไม่เห็นความงามของหญิงคนนั้นเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นโอกาสหรือจังหวะที่เหมาะสมในอันที่จะมองเห็นถึงความงามแห่งพระธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงเทศนาสั่งสอนใครพระองค์จะต้องพิจารณาถึงความรู้สึกนึกคิดของคนที่จะฟังก่อนรันแล้วพระองค์ก็จะทรงเริ่มต้นด้วยคำพูดหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์ที่ทำให้คนนั้นเกิดความสนใจเกิดความอยากรู้ขึ้นก่อนและพระองค์ก็จะทรงสอนเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามความต้องการของเขาเท่านั้นและในเมื่อจะทรงแนะนาให้ละเว้นอะไรหรือให้ปฏิบัติอย่างไร พระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าเขาจะปฏิบัติตามได้และจะต้องได้รับประโยชน์จริงๆผู้ที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทศพลยานมาแล้วจะทราบได้เป็นอย่างดีว่าเพราะเหตุใรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงได้มีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระธรรมมีความงามจริงๆง งามอย่างชนิดที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ยากแต่ทุกวันนี้คนกลับเบื่อธรรมะไม่สนใจธรรมะอันนี้ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้สอนไม่มีความฉลาดในการสอนและอีกประการหนึ่งเป็นด้วยตัวเองเข้าไม่ถึงความหมายที่แท้จริงของธรรมะเข้าไม่ถึงรสแห่งธรรมะเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะพูดชักจูงหรือแนะนาคนอื่นให้เกิดศรัทธาได้ ท้าพระเจ้าเคยคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าบรรดาพระที่เป็นนักเทศมีชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ซึ่งจะเป็นองค์ไหนก็ตามถ้าถอดเครื่องแบบกล่าวคือศึกออกมาเป็นคาราวาดแล้วสมมุติว่าก็ยังคงสอนในลักษณะอย่างเดียวกับในขณะที่ตัวเองเป็นพระอยู่จะสังเกตเห็นได้ทีเดียวว่าคนฟังที่เคยเลื่อมใสศรัทธาพระองค์นั้นมาแล้วศรัทธาของเขาก็จะเสื่อมลงไปทั้งนี้ก็เพราะการที่ประชาชน มีความเลื่อมใสชอบฟังพระนั้นสาเหตุจูงใจส่วนใหญ่มาจากผ้าเหลืองหรือมาจากความเป็นพระจากข้อเท็จจริงอันนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งคนพูดและคนฟังต่างก็เข้าไม่ถึงความงามของพระธรรมส่วนคนที่เข้าถึงธรรมะจริงๆนั้นไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าและผู้นั้น สามารถทำให้คนฟังเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งได้เขาก็จะรู้สึกเลื่อมใสศรัทธ า, านในคนพูดเหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะความงามของพระธรรมไม่ใช่อยู่ที่คนพูดแต่หากอยู่ในเนื้อหาของธรรมะที่แสดงออกมานั่นเองแต่แน่ละ่ะถ้าหากคนพูดที่ว่านี้มีบุคลิกลักษณะดีมีรูปด่างน้ำเสียงหรือฐานะอะไรอย่างอื่นเป็นเครื่องจูงใจด้วย ก็ยอมจะทำให้ผู้ฟังมีศรัทธาภาษาธะเพิ่มขึ้นจะเป็นใครพูดไม่สาคัญเพราะความสาคัญอยู่ที่ว่าถ้าหากผู้พูดสามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะได้คนฟังก็จะมองเห็นถึงความงามของพระธรรมได้เองข้อสังเกตอันนี้ขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมาก และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนมีการศึกษามาอย่างไรการที่ความงามของพระธรรมไม่ค่อยจะปรากฏในความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปนั้นได้กล่าวมาแล้วว่าสาเหตุส่วนใหญ่อยู่ที่บุคคลผู้นำธรรมออกไปแสดงซึ่งถ้าหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่คนที่เข้าถึงธรรมจริงๆแล้วอยากมากที่จะทาให้คนฟังมองเห็นถึงความงามของพระธรรม อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากและปัญหาอันนี้เองที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่กำลังขวางความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาอยู่ข้าพเจ้าอยากจะให้หลักไว้สักขอหนึ่งว่าคนที่ศึกษาธรรมะแต่เพียงอาศัยการอ่านหรือการฟังอย่างเดียวถึงแม้จะเคยได้ใช้ความคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจนกระทั่งเข้าใจธรรมะดีจาหลักได้แม่นยา ตอบปัญหาแก่ผู้ที่สงสัยได้อย่างกว้างขวางก็ตามแต่ถ้าหากตนเองไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยไม่เคยได้รับความสงบที่เกิดจากสมาธิไม่เคยได้รับความผ่องใสจากธรรมะเลยคนประเภทนี้ยากมากที่จะเข้าถึงความงามของพระธรรมได้อันนี้มีหลักซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ธรรมะปีติสุขังเสติ วิปัสสันเนณะเจตาสาอริยปเวทิเตรธรรมเมสัทธาระมะติปันดิโตบัณฑิตผู้มีปีติในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขและย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศทุกเมื่อจงสังเกตให้ดีว่าคนที่จะยินดีอยู่ในธรรมทุกเมื่อคือได้ฟังทิรัยก็ไม่เบื่อนั้นจะต้องเป็นบัณฑิตซึ่งหมายความว่า จะต้องเป็นผู้ฉลาดรอบรู้และดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์และนอกจากนี้ยังจะต้องเคยมีปีติดในธรรมเคยมีใจผ่องใสด้วยจึงจะไม่เบื่อในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศทุกเมื่อคือฟังทีไรก็รู้สึกรื่นรมเกิดศรัทธาปสาทะทุกครั้งและคำว่าในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศในที่นี้หมายถึง ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นเองคนที่จะมองเห็นความงามของพระธรรมทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะหยิบธรรมะบทไหนขึ้นมาอ่านหรือจะฟังธรรมะบทไหนก็รู้สึกซาบซึ้งเกิดศรัทธาประสาทะไปตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบนั้นอย่าลืมว่า จะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีและมีความรอบรู้ในธรรมะและเคยมีปีติในธรรมมาแล้วและเคยรู้มาแล้วว่าจิตที่เคยผ่องใสพระธรรมะเป็นอย่างไรคนประเภทนี้เท่านั้นจึงจะเห็นความงามของพระธรรมแล้วท่านลองพิจารณาดูว่าคนที่ศึกษาแต่ในด้านปริยัติไม่เคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาเลยก็จะมีปีติในธรรม มีใจผ่องใสเพราะธรรมะได้อย่างไรเป็นการยากมากที่การศึกษาแต่เพียงในด้านปริยัติอย่างเดียวจะช่วยให้เกิดปีติในธรรมช่วยให้เกิดจิตใจผ่องใสได้แต่ถ้าหากคนไหนจะพึงมีได้ด้วยการศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้อาศัย ก, การปฏิบัติก็ต้องหมายถึงว่าคนคนนั้นเคยมีพื้นจิตใจสูงเคยเข้าถึงธรรมมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วในชาติก่อน วิบากของเขามีอยู่เพราะฉะนั้นเพียงแต่อศัยการฟังอย่างเดียวหรือการอ่านเพียงอย่างเดียวยังไม่เคยลงมือปฏิบัติแต่แล้วก็สามารถทำใจให้ผ่องใสได้เกิดปีติในธรรมได้ซึ่งตัวอย่างประเภทนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในสมัยกรั้งพุทธกาลเช่นบุคคลบางคนเพียงแต่ได้ฟังธรรมเท่านั้นก็เกิดปีติจิตใจผ่องใสในขณะที่ฟังนั่นเอง แต่อย่าลืมว่านั่นเป็นการฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือไม่เช่นนั้นก็จากพระอริยบุคคลที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วรู้จักจิตใจของคนฟังเป็นอย่างดีส่วนในสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างที่บุคคลบางคนเมื่อได้ฟังธรรมในขณะที่ฟังก็เกิดปีติเกิดความาผ่องใสภายในจิตใจแต่ตัวอย่างเช่นนี้มีไม่มากนัก อันหนึ่งควรสังเกตไว้ด้วยว่าความเลื่อมใสหรือปีติที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเครื่องแบบหรืออาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออาศัยพิธีกรรมต่างๆนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงหาจะมีผลทำให้เกิดศรัทธาภาษาธะได้ก็จริงแต่ก็ไม่ลึกซึ้งและไม่เกิดความหนักแน่นในธรรมคนประเภทนี้ยังคงเห็นแก่บุคคลไม่ใช่เห็นแก่ธรรมะ